ว่าเลมีโอกาสมา <c oughs> ลงมาเทศในฟังจะเถอโดนแล้วหลายมือหลายวันแล้ววันพระกัหลายวันพระแล้วว่าเลลงมาเทศในฟังมันหนีถือโอกาสที่อโอกาสดีทีมาเทศในฟังในการปฏิบัตินี่แหละให้ค่อยกำหนด คิดใจของเฮาลงเป็นหนึ่งโดยการกำหนดลมหายใจเขาหายใจออกคิดเท่าสิเพาคิดไปใไช้แต่มันเป็นหนึ่งมันสิโยกับลมหายใจตลอดเวลาเดี๋ยวคิดมันเป็นหนึ่งแต่เฮากำหนดลมหายใจเขาออกให้ได้ สังเกตเบืองล่มเวลาล่มเข่าวันกระทบวันไดให้ตั้งสติวันหันเวลาล่มออกก็ให้ตั้งสติเบิงเึ่กันอยู่วันเดียวเท่านี้นพราต้องย้ายไปย้ายมากอยู่ในกลางจะมูขก่อนหม้อเป็นปลายจะหมูก เห็นร่มเขา่ารมหมอกอยู่ตลอดล่มเขา่า้ามันละเอียดลงไปก็ล่มเขา่าย่าวมันก็บกัหูร่มเข่าสันมันก็บหูร่มหมอกย่างมันก็บหูร่มหอกสันมันก็บหูเหตุไปนั่นนั่นจดมันซ้ำนานแล้วนะมันเหลือแต่หูอย่างเดียวหูอยู่ยางเดียวท่านั้น มันบอคิดเนื้อไปใชเรียกว่ามันเป็นเอกคาตาล้มมันมีอารมอันเดียวมันบอคิดมันบอไปกำหนดลมมันบอไปยั่งหรอกมันนิ่งยื้ซื้ออันนั้นเดีย ว, ว่าเอาปฏิบัติเข้าถึงเอกคาตาล้มเอาสิใดมากผลก็ได้ยื้บรรนี่ละ่ะ แต่ว่าขันเท้าเสียมันดีมีความสามารถนันนี่มากไม่ก็ต้องเหตุให่งเหลือแต่คิดอย่างเดียวเนี่ยว่าเองกคตาคิดคือไม่ติคิดอย่างเดียวเพามีกายเพระมีตัวมีตะูกซือเพมียางตัวตนเพระมีร่างกายพมีแขนขาเพมีหาพเห็น ตัตนก็หาเพเห็นเห็นแต่ข้อหนูสึกอยู่อันหนึ่งเท่านั้นทั้งหากมนีข้อหรู้สึกอันหนึ่งอยู่ตั้งหากอืมอัตมาก็เคยเป็นฝึกครั้งแหลกอยู่ว่าถ้ามองค้นเมื่อหนึ่งขึ้นฟังเทศลงพอ ว, วิริย่างลงปูวิริยง่ง เหนื่อยฟังเทศนั่งที่ข้างหลังเพลินนะฮันหลังใส่ธรรมะเวลาเพลินเทศฮันหลังไปหาทางอุต ร, รูปนึกคุตโตคุตโตคุตโตเยอะคิดมันว่างลงเป็นเอกราตารมณ์ มีอันนั้นนี่เกิดขึ้นหลายอย่างอืมเห่เารู้เห้าเห็นนะมันว่างลงไปอีกเหลือแต่คิดอย่างเดียวมมีตัวมีตนมีอยังเลยมีแต่คิดต่อยตอยมยวัดโลกธาตุอันนี้นั่นละจิตใจยังคอยห่าหานคิดสิอ อ, อกปฏิบัติ ถาว่าสั้นก็เรียนหนังสืออยู่ปุ่นนะกรุงเทพพมันเป็นคู่เป็นอาจารย์สอนอยี่ปุ่นนะวันไหนมาสาั่งวัดสั่งว่าวันไหนมาผ้าญาดพายุมทํานัานทํานี่หรอกคิดมันเป็นไปแล้วมันจังออกออกไปสู้หาหุ้มสงบจากคู่บา่อาจารย์หนุความเมีตาเขาลงภูเทศนะ พลว่าให้ออกมาดูแลมูมขนาดน้าแต่ก็มาปฏิบัติ ม, มาปฏิบัติถ้ำด้วยกเ็เพลินพนว่านีา่รับอาวะพันตินก็เพลินนะ่ะแต่มันก็ว่าท่านใดยังออกก็แค่ตะกิดมันเป็นไปท่าน แต่มันมีความโอด้วยป่านนี้เห็นอันเห็นนี่เห็นผาาเห็นนิมิตต่างๆเห็นบานหยาิบายบดย่มผู้ใดเปิดยังเปิดยังมันโโห้ด้วยปานนี้อันละ่ะคิดมันเข้าถึงเอ ก, กตารคิดมันยังเป็นยังสัน้นถามว่าเข้าถึงเอกสารคิดมันว่าโโห้ยังหอก สติปัญญากเกิดขึ้นมากไม้วามรูความฉลาดในอัดในท้ำมีมากขึ้นออกปฏิบัติจะก็ลงภูเทก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆว่าเป็นเฮ็ดเลย่นเฮ็ดจนเดินตักคมจนตีนนี้เป็นพองขึ้นเลยฟาตีนเนี่ยงไหลายนะบางทีนางวัดมือ ยุดมากินน้าที่เดียวท่านก็ยางลุกไปยางต้อยอเทียงนะยุดมากินนา้ากินน้าแล้วก็โลกไปเดินตุกล่มต้อยอีกเอายุ้งสั้นนะ่ะจิตก็ยังค่อยเป็นไปเรื่อยจนมาถึงยุคผนะีมันยังค่อยไในค่อยเห็น ทั้งผลถูกคนรอดโ อ, อกาสที่สิในปฏิบัติเป็นลําเป็นสันอีดนดีนั่นไบ่ค่อยในโอกาสดอกเดี๋ยวก็เลือกนั่นเดี๋ยวก็อันนี้นเดี๋ยวก็อันโน้นทุกท่านนะแต่ว่าเฮาตั้งใจเฮ็ดยังได้ขอมู่งว่าเฮาเดินอยู่เฮาก็ต้องรู้ใจเฮา เราต้องดูร่มหายใจเขาออกนังอยู่ว่ากับรู้รมหายใจเขาออกเอ็ดยังอยู่สามารถกำหนดได้กับกำหนดร่มหายใจเขาออกไวเรื่องสัน้นอ่ะเฮ็ดอยู่ประยุดบ์ปรอนอ่ะจนมันสบายแลยจังค่อยโอ้หอนี่พ่อใจระบาดเนี่ ก็ดีแต่ญาญโงมก็เห็นสั่นละค่อยกํานดร่มหายใจเข่าออกร่มเข่าก็ให้รู้ร่มออกก็ให้รู้ร่มเข่าสั่นก็ให้รู้ร่มเข่าเหงาก็ให้รู้ร่มออกสั่นก็ให้รู้ร่มออกเหงาก็ให้รู้ให้รู้ยุ่งสั่นนะ รู่มเข่ารูมออกอยู่สันคอยกำานอดอยู่กินหมากกินยังอยู่กักำานดตได้อยู่อ่าเขียวหมากก็คอยเบื้องรูมหายใจเข่าออกอยู่หันอ่ะเหตุยืนเรื่อยๆอย่าถอยอย่าเศร้าเอาพระท่านลุดพน้นนั่งเอาแน่นอนพระท่านได้ เอาต้องทำให้มันได้อย่าให้มันได้มาเกิดในภพอันนี้มันถูกหลายสารพัดแต่มันจะถูกเป็นแถมาสางวัดสางว่าแห่งถูกหลายเหตุกุฏิกุฏังนั่นนี่โบสถ์สราโซสิเป็นสิ้นเป็นอ่านขึ้นมาว่เาเป็นธรรมดาเด้นี่ เขาสางเนื้อสางตัวมานหนิพวกับญาติกับโยมชาวบ้านส่วนสิมันเป็นวัดเป็นว่าขึ้นมา่ใดหน่มันบ่เป็นธรรมดาอืมมนโนโทัณฑ์ที่ชดอดทนมากอดทนหลายอืมส่วสิบใดซาลาหลังหนึ่งกั คิดด้วยเง็เ่อน 7-8 ล้านนมะ่มีปัญหาใดไ ง, ไง่ายๆลโบทนี่ก็หลายล้านเลยใกล้สิแล้วละเขียนภาพแล้วก็ปูพืน้นเห็ดบันไดหนากเห็ดยังทุกยางเรียบร้อยไปปูหินแกน่นิดแกนยังล้านโบทแล้วก็เห็ดกําแพงแก้วโบท เอาอย่างว่าอันเลาะขางโบสถนะ์ะดินเขาทมสูงเ่าก็เห่าก็มาเอาหินกราบหินเนื้อก้อนอิฐบล็อกแดงมาปูอีกแลก้วก็เป็นอันเซตละบบทนะ เจ็ดฐกบตายเศรษพกบตายสี่ยุรมญาตน้ำยมไปมือนีพระก็ขอเข้ามาโทษแล้วก็ขอนิมนต์แหละบารับขันนิมนต์มั่นขวาวัลสบายมากหลายมือมือนีก็ทรอละมานที่สุดแต่ก็มา ตั้งใจจะมาเทศญาติาโยมฟังให้ตั้งใจปฏิบัติค่อยกำหนดรบมหายใจเขาออกค่ อ, คอยนี่ก็สางนา้ำทำบุญเขาก็อนหนึง่งใส่บาทก็เป็นบุญแล้วเขาได้ใส่บาทเขาได้ทาบุญเขาได้อุปถาควา้าสงอง์เจ้ายุ่งนี่มันเกิดในบุญในกุศลหลาย เอากินเอาท่านเด้ท่านองคจ้า ก, กินจากท่านนี่ยมันได้บุญได้อา น, นิสงส์หลายถาว่าองค์เจ้ากินจากท่านว่าได้บุญว่าได้อา น, นิสงส์เด้เองสั่นต้องคูเจ้ากินจากท่านสร่างนามถ้ำบุญว่าะเฮายัางเวียนวายตายเกิดเนีย่ยว่าจะสงสารนี่เฮาไม่มีบุญไม่กุศลมีสิ่งที่เฮาได้ทำไว มันก็เป็นความสุขความเจริญของเฮ้าอย่างหนึง่งเป็นสันอนเฮ้ากินบพาทานเกิอดอะไรพวาะไรเฮ้าก็บาะมยู่มไม่กินนะ่ะพรถดจากอยากอันนี้เฮ้าเหตุบุญเหตุทานอยู่บุญกุศลภาระนิสงอันนี้ก็จะคำสู้อยู่รงให้เฮ้า ในบรรดุมากคนในบรรดุมากคนก็เ yes, ข <Yeah. S 1> ้าก็ย่นพบย่นสาดสันเขาอืออันเข้าได้อันเข้าปฏิบัติมันก็ได้แ่ะทุกคนนั่นแหละถ้าปฏิบัติแล้วมันได้รถหลวงขอ่จ้าให้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเรามันได้โลถ ยเห้ชมนี่นะที่อไปหาปฏิบัติพรหันปฏิบัติพรนหนีแต่ไ ป, ไปมาไม่ยืนนีกน็ที่ได้ฟังเข้าใจก็เอก็สบายอนะไรแบบนี้นั่นมันภาวนาปิดอะไนั่นรนะักษาไว้ยบบนะี้ให้มันสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆอยใหญ่มันอยู่ อย่าให้มันเสื่อมเหตุให้มันเจริญเหให้มันดีเหตุให้มันเนก่าหนาอย่าถอยเหนื่อยยากผานไนอก็ธ โ, โทษหนาพอเข้าไปตรงนรกนันกน่นถูกหลายทีเ่เดีในนรกนั้นมีแตถูกกองถูกทั้งนั้นอ่ะอืมห้องสดวดเอ ทุกขาชาติปูนาปูนั่งการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆเขามาเกิดในวัฏรโลกอันนี้นะั้นมันมีแต่ทุกข์แต่ยากชั่วสิริกินเ้าดินร่นพบตัวหนึ่งเขียดตัวหนึ่งช่วสิริมาพดมาแก้วใส่ขอบข้อเฮี้ยนส้านยากหลายเติบ ตากแดดตากหน้าหาอยู่หา่หากินทนทุกข์ทรมานมเบิ้งแล้วก็สะยรสสังเวชเราเฮาเป็นยังได้จังได้มาเกิดอยู่ไม่ได้เกิดอยู่ในวันของเงืินกองทองเอาไปโยนน้ำทงห้ยทกหน้ามีเขากินถือว่าดีที่สุดท่านอะเอาภายในวัตถัยถอยในการทําความดี พอเข้าพอได้กินได้ทานไว้พอได้สางสมไว้หลายนั่นแหละเขาก็ได้ซ้านี่อันตรเข้าได้เหตุไว้หลายก็นี่เข้าก็สิดีขึ้นก็นี่อีกหลายรลอยหลายพันเท่าอืมเพงสันในทางใจคอยอดคอยทนเอาหัดภาวนาให้มันก้าวหน้า ให้ใจมันอยู่กับอารมณ์มใจมันอยู่กับอารมณ์เรามันกิค่ อ, คอยหูไปหรอกพอเห็นไปสั่นละเห็นจิตของเฮาสงบหนึ่งลงไปสบายอยู่เฮาข้อได้มีความอยากอย่างนั้นอกควอยากให้ได้บารู้มาก น, น, น, น, นั้นสันนิยมข้อใดว่าดอกแต่ว่าเฮารัากษาจิตเฮาให้มัน นิ่งเป็นหนึ่งให้ได้ถ้าเอาสามารถทำกิจของหอยหนึ่งเป็นหนึ่งได้เฮาก็ต้องเห็นความสุขความสงบขึ้นมาถ้าเอาสามารถเห็ุกิจของเฮ้าที่เข้าถึงความละเอียดมัดเดี๋ยวแต่รูยงเดี๋ยวเรื่ออัปปนาสมาธิน่ะนะอันนั้นมันจ แทกสารหลอบลูไปวัดกีดเ่เท่านะมันสิลูเท่าลูท่านมัดกันรักษาไว้บ๊เสืีอมกงืโอ้ยดีปัญญ์น่ะเฮ็ดไปท้ำไปยอย่าถอยอย่าถอย ยัดมือแปดมือเอามาถื อ, อ, อโอบโซดครั้งหนึ่งเอาถือว่าดีแล้วซื้ อ, อ, อโอบโซดเพียงแค่ครึ่งมือเท่านั้นยังมีโอกาสได้ไปสวรรค์ไปชูกข่อมชุกข่อมเจริญได้เอาถือนิดเดียวนะึ สี่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้บอกไว้สอนไว้นี่มันแม่ค้อมเพิ่นเมืนั่นแหะข้อมดีกสร้างค้อมชัวกับสางที่เพื่อนสอนไว้เข้าปฏิบัติตามหรือเข้าได้โหลดได้ข้อมสุขข้อมยื่นโหลดในทางค้อมดีก็ดีความชัวก็บชัวไอริชชัวจน หายยังเปรียบเทียบอ่ไรดนละ่ะตายแล้วกับคนออกป้อนยู่กับวิจิมหานลกคนน่ะมันเป็นธรรมดาเลยมาเห็ดซัวกับสววหลีชัวจนใหม่เนี่ยวิี่มหานาลกคนน่ะอันเห็ดดีกับดีหลีดีจนได้ไปพะนิพ่านคนน่ะ เป็นสันความเป็นจริงมัน่นมันเป็นนั่นสันรักษาความดีทำความดีให้ท่านรักษาศีลพนักท่เาเฮาบอให้ท่านบรักษาศีลเฮาเอี่อยงมารักษาเฮาเจ อ, อยังมาจิตมาท่านบุญเฮาพ่มี เฮาอยากร่าอยากรวยก็ร่ำรวยบพาราะเพราะเฮาเพได้กิ น, นได้ท่านไว้เฮาอยากสวยอยากงามเฮาก็สวยงามบพาราะดเพราะเฮาเพรักษาศีลเฮาอยากมีความสุขความเจริญในจิตในใจอยากมีปัญญาสามารถสลาด ร, รอบลูกเฮาก็เกิดขึ้นเ่ราะใดเพราะเฮาบพได้ภ า, าว น, ไนาไว้เฮาจิดได้มากได้ผลเฮาก็ได้เพราะ เขาก็บว่าใดพออย่างพอเข้าว่ได้ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาไว้ว่าใดทําเหตุเบื้องต้นของมันไว้เขาก็บ่าใดถต่เข้าเหตุไว้ทาไว้ปฏิบัติไว้สางไว้ก่อไว้อนันละบุญกุศลของเข้าล่ะนั้นเข้าใดแล้วยังคดท้าบุญโบวชอ่แล้วรลอยหนึ่งสองลอยก็ได้บุญร้าย ในบดหลังนึงในวิมานคือบทนี่แหละงามเสียละเขาเห็ุเขาทาไว้น่ะเขามีหลายเขาก็ทําหลายมีหน่อยเขาเขาทำหน่อยโมีเขาก็อนุโมทนาสาธุนพจนก็ยังได้บุญเยอะแยะนั่นน่ะในยังได้อาศัยอยู่ยังได้บุญได้กุศลอยู่อนุโมทนาําก็ดีเป็นธรรมดาเนีืย ก็ยังไหวต่างใจทำคุณงามความดีให้ต่างใจเหตุไปเหตุบุญเหตุท่านเขาก็เหตุมาติดต่อกันมากทางแต่อรตามามาอยู่นี่ก่ะโอ้ยก็ได้อาศัย ญ, ญาติโน้มชุวนี้หละอุปถาคุปธรรม ประเดี๋ยวได้กุศลพระญาติพระโยมสางสมคุณงามความดีประดีบุญกุศลหลายขึ inform inform sure. ้นมีความสุขขึ้นคิดไปในแง่ใดเขาก็มีความสุขความเฮาปฏิเหตุสัวไปไปสิบาเฮาพอดีจังได้กสร้างเพราะเฮาทําดีอยู่มันก็ต้องดี แต่ว่ากำเห่อไปแก่ไปอะไรเนาะกำ ม, มันเมดอ้อนกระร่างโล่หมดลงไปแล้วั้ก็ค่อยหายไปเองอืเขาเคยว่าให้มู่ให้พวกว่าคยตํานี้ตีเตียนเสียรายไปสีพืน้นอเขาก็ทูกเขาว่าเขาตีเขาเตียนคือกันโกดแหทงกำมเด้อืม จะเข้าเหตุไปติศาลได้แล้วเห็นเราดูอยู่ศาลนี้ก็ปกครองคนมันต้องใช้อำนาจหลายเติอบอันใดสางบาปสางกรรมก็มีังสันอ่ะเาเหความดียดไนก็มีตะพูว่าให้ทังสันังสี่อันนั้นก็พเป็นยังเขาบรได้สนใจกรื่องเ่านั้น เอาขนยกหนองสลาเสริญก็มีนิ้นท่าก็มีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นแหละในลาเบิรตสุคนนั้นแหะคนล้มทะเลเพราะเพาถือขึ้นนี่ยเพมีหรอกขึ้นทะเลมันก็ต้องพัดแข็งพัดขาเห่าเ ห, ห่าก็สียยางไปเดินไป ว, วัสดวก็เลยเราใหาดใส่ทะเลก็ดีนั่นแ่ะ พอได้ทํากรรมมันไหนไว้ผู้นั้นยอมได้รับผลของกรรมนั้นดีก็าตามชั่วก็ตามเพื่อนว่ากรรมดีเข้ากับรักษาเข้าก็ได้ทําไว้กรรมชั่วเข้าก็ได้ทําไว้ข้อมชั่วนั้นก็ให้ผลเป็นทุกข์แก่เข้าข้อมดีก็ให้ผลเป็นสุคแก่เข้าไปสิวารีก็พบเป็นอย่งไปสีว่าชั่วกว็พบเป็นอย่าง เอาเบงใจเข้าใจเข้ายังมีสุขอยู่ว่าบริสุทธิ์ด้วยว่าอันใจเข้าบริสุทธิ์ถือแล้วก็บม่มีอย่างไม่มีทุกข์อันไหนที่มาเข้ามาเบียดเบียนเข้าได้พอเข้าบริสุทไิ์ไปเบียดเบียนผู้ใดไปเขาทําแต่กรรมดีกรรมดีกายผลอสันพินัสสันเสดมาอะ พยายามทำกำดีไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กำสัวหัวใเหตุหาซัตหลักสัรพคุธทิศมิจฉาจารย์เอาคำโอหกหอกร่วงตมตนนุนคนนั้นคนนี้หัยใจเหตุนั่นคือสินหาเห้านี่ละ่ะ เดิมกลิ่นสุราเมลัเออยเฮ้ายาเหตุเฮ้าเกิดมาเฮ้าจะเป็นคนบาใบเสียจริตเสียบาปเสียกรรมนั่นจะเป็นคนงโง่คนชัวร์เป็นคนพอดีเฮาอย่ากินอย่าทำสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมให้พากกนหละกันเลิก ยู่ไก่คูบาอาจารย์ให้มันได้ประโยชน์จากคูบาอาจารย์อย่าให้มันเสียผลประโยชน์คือลองปูพินว่าให้เศร้าบานโขกสวกไทยจนะเลื่อนน่ะโอ้ยไทยบานโขกสวกก็ดีบานให้จะเลื่อนก็ดี หยาดงมสมุนิว่าท่านเขาดอกชศาของเทพเขามาเอาไปเวรแล้วมากกบ่าท่านเขาดอกแต่ก่อนหลวงูเพิ่นเทพเพิ่นสอนเพิ่นอบรมเพิ่นเทศนาสร้างสอนอบรมให้ตั้งในคุณงามความดีคนก็ยังวัตื่นโต บาทถ้าเพิ่นแก้เพิ่นเถ่าแล้วเพิ่นบ่เทศบอแสดงถ้ามาก็จะหุ่มเข้าไปไปนี้หุ่มเขา้าไปฮาเพิ่นไะท่ไก่เนีะยหอยหุ่มเข้าไปฮาเพิน่นเพิ่นว่าโอ้ยมปนว่าท่านเข้าดอกเส้าคงเทว์ออกไปเพื่อแล้วเพิ่นว่าอันนี้คือกันนะ จะมาถือศีลเดือนหนึ่งได้จากศีลหนึ่งกับทั้าหักก็ได้จะยังดีเยอะยังได้ใส่บาททำบุญเยอะก็ถือว่าดีเยอะหอกพาไปบินทบาทเอาใส่บาทเขาก้นึ่งก็ถือว่าดีแล้วนั่นล่ะก็ได้เยอะบุ่ญจะปฏิบัติสูงขึ้นก็นั่นก็คอยเอาทำเอาอื หัดไว้หัดเบิกลมหายใจนะเบิรลมเขาลมออกทุกศาสนะเฮ็ดยังกอยู่ในลมมันลนะเ่องจางสี่นี้กรรมดีนี้กรรมชั่วใดนี้บาปนี้อกุศลใดเพราะในบรรลุมากคนเทอากับว่าทองมาทุก์มายากในมนุษย์โลกอะ น, นี้โลกมันเป็นของทุกต่ เป็นของทุกไงทะโลกนี่ยมีขอบขั้วเฮี้ยนซานกยากมีงัวมีคั้วกับยากทั้งอน้ำขั้วยมีเขามีของกับโอ้ยากขึ้กันก็ดีเป็นภัษาญ่ากน้ำชิ้นนั้นชิ่งนี้วะมีโอกาสจะได้มาถือชิ้นปฏิบัติธรรม เช่อละมือสีเทศใ้ฟัง่งไม่ดวงกันก็บว่ามานี่ยัยงตังใจอยู่สีโปดเดาไม่ออกดวงจันทร์อยู่ให้มันนั่งสมาธิให้ฝึกสมาธิให้มันชำนาญให้มันก่องแก่ว่องไวอยากให้ได้สมาธิอยากให้ได้ ธรรมะธรรมโอของคนเจ้าติดตัวเข้าไปอุปถามามตั้งแต่ธรรมะมาอยู่วันแรกเลยละ่ะอันว่าได้ปุ่นเนมันได้หลายก็คนอื่นเน่ยเพราะเราเหตุมาตลอดมนีต่างใจสมาทศในฟังก์กัน อยากยังบุญยังเขาบาไัยมาื่อมันมาอยู่เขาบารัยยินเขาอย่บารัยมีผู้บอกว่าอยากให้มาเหตุในมาทำให้มันได้มันถึงให้มันมีคุณสินคุณธรรมอยู่ในใจเ่าอยากให้มันตกต่ำ ในเขาเป็นอัทสันพอเป็นผู้ประถาาผู้อาจารย์มากจงแต่แรกกตะเริ่มเลยผู้ก็ไม่แหวนเนี่ยตกี้ก็ดีอย่าโน้มันกลางจะได้ประโยชน์หลายผู้มือนี่พาสงออกไปบินถาบาทพนันมันกลาง เมื่อนได้รถป้มมีก็บ่างเอาสองสามกิโลยางเอ่าเหมาะสมก็ค้นนมคนแก่ก็รองคอเนี่ยก็ไปไว้ส่วนบ้านนองเต้าเนี่ก็ได้ยุบประจำแต่ว่าผ่าอยากไปจะเศ้าจังน้อยนึงอันนี้ไปเศร้าหลายพันหารนุ่มเห็ดอาหารการกินข่งท่านก็ได้ตะเข่าก็ยังดีอยู่ ได้เขามากินหนาดโน่มก็ได้บุญได้กุศลพระเราตั้งแก่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทุกคนนั่นแหละเห็ดหลักษาสินปฏิบททัติธรรมอยู่เอาใ่บาตรใจโพคเงีม่เส้าพอดีแลาพ้นออกจากสมาธิไปเฮาก็ได้อานิสงส์เ่านี้ให้เฮามีความสุขความเจริญอยู่ได้็คนี้ละ เขาตายไปจากโลกนี้นะเขาก็ไปสวรรค์นนะก็ได้ไปกับผู้เหมือนต่้มนะวันหยองพาะเขาได้ทำบุญน้ำกุสศนโยชนสมือมันน้องเต้าก็ใส่บาตรดีไปเมื่อไดก็เข้าเต็มบาตรมากผู้เมื่อนะ่ะกินข้าวัวเป็นแสน อาจโ น, น้ก็ในบุญในกุศลทั้งสองโมบานนี่แหละในภารานิสงในคุณงามความดีในความสุขความจเจริญเหตุยังก็มีความสุขกันเท่าได้มีบุญเหตุยังอยู่ก็มีความสุข มีหามีหน้าก็มีความสุขมีงวมีค้อยก็มีความสุขมีเงินมีทองก็มีความสุขถ้าได้ปฏิบัติร้ำแห้งได้ซุขยิ่งขึ้นไปก็นั่นอีกเห็ุเอาถ้ำเอาคอยเบิ่งใจของเจ้าของมันคิดดีมันก็บหูมันคิดซัวมันกับหูคิดหยาบคิดละเอียดในมันหูเว้นละ่ะทางสติเบิ่งใจห่อน จนมนว่างเหลือแต่ใจอันเดียวเบื้องยุสันนะมันคิดดีก็มีคิดซัวก็มีคิดหยาบคิดละเอียดมันคิดไปวัดละใจนั่นให้ค่อยเบื้องให้ค่อยเบื้งใจเจ้าของใจเฮ้ามันคิดซัวการกระท่ำคาพูดมันก็ซัวตามถ้าใจเฮ้าคิดดีการกระท่ำคาพูดแล้ว ความคิดมันก็ดีตามไปด้วยมันเปล่งสันไอ้เขาคิดดีอกพูดทําคิดมันก็คิดดีไปพูดดีไปทําดีไปมันเปล่งสันนะให้คอยอบรมเจ้าของเขามาเกิดในโลกนี้ว่าเกินร้อยปีหรอกเขาก็ตายจากโลกไปแล้ว สร้างวันไหนหากวันไหนมันก็บ่กเกิดลอยปีเอะมันก็หาผัดผากจากกันไปละเสียวพ่อตายในวุ้มีคนเฮาสิตองตายเยอะแต่ว่าตายมือไหนยังกำหนดพ่ได้หอมือตายเฮาก็ฮู้ล่ะเฮาสิตายแล้วมือนี้เก็บล้ายปวดร้ายก็ตายไปมีบุญมีกุศลก็รองรับไป สวัสบุนสวัสกุศลแต่ว่าเฮาก็บรรดายงายดอกันที่ว่านี่ก็บอกให้ฟังให้ซื่อแต่คนเฮามีตายทุกคนเกิดมาแล้วเมื่อมันบ่าตายมันจะตายอยู่แต่ว่ามือตายกำหนดบ่ได้แต่มื่อเกิดเฮาก็ยังกาหนดบ่ได้เนาะมีแต่พอแม่บอกให้ฟังว่าเกิดว่านั้นว่านี่ พอแม่เป็นผู้จำไว้จำบ้านเกิดของลูกของเต่าไว้จังคอยเข้ามาหูที่หลังหน่ อ, นอบดไงแล้วจังเอย ง, ง, งูจั่นวันให้พิจะะารณาเบื้องคนเข้าอยู่ในโลกงนี้โบโดนดนอกพอเกิดร่อยไปีก็ไปแล้วเห็นว่าพอคํามติดซ้อยหอยตานุกพอไปหันไปนี่ ไปเสกก็ออกไปน้่งพอข่ำพอสู้ก็จากไปวัดเลยทั้งสองท่านนี่ทั้งสองคนเนี่ยเไปแล้วคนที่ไปก็เพราะว่าหน้าเป็นวัตทุคนดีในหัดสมาธิวิปัสสนามาโคดนิพานไ้ในตัวแล้วก็ไปสู้ผู้มันดีไปสอนจันฝ้าคนน่ะ พ อ, อยัางพอได้ทำบุญทำกุศลสร้างนามทำบุญไว้ยันแบบวันที่ไปมวยหยางนี่บแบบเพืเดี่ยวเท่านั้นไปโหลดสรีดอัดข้อนี่เดี่ยวก็ตายหล้ยคนล้มออกว่าได้ก็ตายเท่านั้นล้มเข่าว่าได้ก็ตายเท่นัี่เท่านี้เบิ่งเห็นโหลดคว่ำตายล้มออกแล้วพรเขา่าล้มเขา่าเราเพออก ตายโหลดพี่านาเป็นค้อมตายก็นเลยโอ้ยเฮาทีตายยังเน่าเกิดมาเนี่ยนี่บวกคนค้อมตายหรอกนี่นะให้พี่นาจาังสี่ให้ต่างกิดต่างใจต่างคุณงามความดีให้ขับเจ้าขอ ง, ม, องมันเปนทํามให้เพลินนี่มันทํำให้ผู้อื่นได้ทํำให้เฮาได้ สั่งบทสัางสลากสั่งกุฏิวิหารกินท่านสั่งน้ำทาบุญอันนี้วัเราเอ า, า, า, า, า, าให้เพลินเนี่ยสังเอาเห่าเนี่ยสั่งให้เห่าเนี่ยแหละทาให้เห่ า, านี่ยแะเฮ็ดให้เหเาเองวันท็่ให้เพลินไม่ให้ให้พระให้สงเรกมันเด็ด เ, เห่านี่หละเหาได้เฮ็ดได้สังนะมันจะคอยแมนบุญของเหาเลย เป็นบุญเรื่อของเส้ฮาเป็นความดีของเฮาเป็นความสุขของเฮากอนเฮาจะจากไปจากโลกนินให้มันมีบุญหลายหลายให้มันด้สางนามท่าบุญไวห้หลายหลายมันจังสิบพวผิดหวัง น่นละผาเหตุผ้าสางผาพุดผักกอมานี่ค่ะหลายปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วเบตุผลดูตรพส2องพันห้ารอยยี่สิบสามเนื่ยมากจนปานเนี่ยนี่กสองพันห้ารอยห้าสิบห้าเสามสิบกว่าปีแล้ว อันในอันใ ด, นดมันก็สมบูรณ์ขึ้นวัตถุยางหนามก็มีไฟก็มีมันห่อนก็มีเครื่องพับอากาศในห้องปฏิบัติธรรมเย็นเหตุผลเมื่เขาสิวาวาดปลาขึ้นมาติดแอร์ในเซล่าวากระซัง เขาค้นนางสมาธินี่มันห้อนมันห้อนคิดมันก็บอเป็นสมาธิและวทำมันหนาวหลายมันก็บอเป็นสมาธิเขากันให้มันยุคดีให้แอร์เป็นผู้ปรับอากาศนั่นนเห็นสบายไอสิวะในี้ก็สระชัง่งเสริมการปฏิบัติเ่งเสริมว่ามันบังคับให้ห้อนให้นาวให้ยุดีสบายคิดใจมันร่างกายสบายคิดใจมันก็สบาย พลังกายว่สบายคิตใจมันก็ว่นสบายขึ้นกั น, น, น, กนยยมันก็เป็นแต่อยู่มันเกิดกรว้นกรว่ายร่นทุไล่หนักลําบากแต่ว่าเข้าปับอากาศเข่าที่แล้วก็เขาก็มานั่งสมาธิอยู่นี่คิดใจเขาก็สงบเย็นสบายสงบทั้งใจสงบทั้ง ข, งขง้างนอกเย็นสบายเบส คิดใจเขาเขมีความสุขความเจริญนี่มัมกมีผลเป็นของธรรมดาผู้ปฏิบัติมันต้องได้ต้องได้มากได้ผลได้พ ล, ล, ล, ลานิพานชาติสมาธิสมาบัติมันได้เวนะอรนั่นแหละการคอยเหตุในทําแต่ว่าให้จําไว้ให้มันดีว่าเทาเหตุเท่าธรรมเนี่ยวเสีจังใด เอากคยค่อยเบิ้งลมหายใจเขาออกเขาเล่าไปนั่นแหละค่อยเบิ้งนั่นแหละกามันลบมเมื่อไปแล้วก็เหลือแต่รูนิธิคิดรูย่างเดียวก็ค่อยเบิ้งแต่รูอันเดียวนั้นละไว้ปรูลงไปมันจะว่างลงไปยังได้อีกกะยะหัวมันมันีให้มีสติอยู่ตอนย่างเดียวพอนี่ล่ะการปฏิบัติก็ดีการสัง คุณงามความดีก็ได้เอกให้ฟังแล้วการปฏิบัติก็สรุปให้ฟังนี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติไปให้ทํำไปสิมีประโยชน์หลายสำหรับชีวิตของเ้าสบายแต่มันเถื่อแล้ำหรือให้ตั้งใจปฏิบัติ ให้มันค่มข่ากับชีวิตที่เขาเกิดมาเนี่ยได้พบพระพุทธศาสนาได้โอกาสปฏิบัติดีปฏิบัตชอบเนี่ยมันเป็นความสุขความเจริญเท่านั้นนหะพอให้ตั้งใจพอคิอปฏิบัติไปบำเพ็ญคุณงามความดีไปตอดชีวิตของเฮาคนละไม่มีวันหยุดหรอกสัางความดีนี่ไ่หยุด ยึดแต่ความสัวนั่นแหะความสั ว, สวยุดไว้อย่าทำอาจจะมีความสุขความยินเลิศโดยทั่วกันแสดงธรรมะเห็นถ้าแนวทางปฏิบัติต้นปฏิบัติตัวอยู่ในโลกนี้อยู่ในพุทธศาสนานี้ก็เหตุสมควรแก่เวลาพอหยุดติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้อ้บังก็มีด้วยประการละชนี